พวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เกิดมาเพื่อหาความสุขกันทุกคนไม่มีใครเกิดมาเพื่อมาหาความทุกข์กันแต่การหาความสุขของพวกเรานั้นเป็นเหมือนการหาของคนตาบอดคนตาบอดหาของอย่างไร ก็จะไม่มีวันเจอเพราะไม่มีตาที่จะมองหานั่นเองมีแต่ใช้มือขำไปเรื่อยๆขำไปอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะได้พบกับของที่ต้องการการหาความสุขของพวกเราก็เช่นเดียวกันเราหาความสุข โดยความหลงเป็นผู้พาเราไปความหลงก็คืออะไรความหลงก็คือการมองไม่เห็นความทุกข์เห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขนั่นเองเพราะมองไม่เห็นความไม่เที่ยงมองไม่เห็นว่าของที่เราอยากได้นั้นที่เราได้มานั้น ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องหมดไปตราบใดถ้าเรายังหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่นี้คือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขผ่านทางร่างกายเราจะไม่มีวันที่จะพบกับ ความสุขที่แท้จริงได้เลยเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผดทปะไม่ได้อยู่ที่ราบยศสรรเสริญ น, นั่นเองความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจแต่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันจะมารู้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบ คนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาลันตาสาวกท่านั้นที่จะรู้ได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระอาลันตาสาวกก็ดีหรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในใจของเราเองอยู่ในการทำใจของเราให้สงบแต่ชา น, นี้พวกนี้เป็นวานสนาของพวกเราเป็นโชคของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบกับพระ อ, อาลา์ตัสาวกของพระพุทธเจ้าที่นำคำสอนอันวิเศษของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่แบ่งปันให้แก่พวกเราสอนพวกเราให้หาความสุขจากความสงบของใจเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นเอง สิ่งที่เราต้องมีก็คือศรัท ธ, ธาความเชื่อในคำสอนอ น, นี้เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขทางลาบยศสตเสินทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเข้ามาความสุขทางความสงบกันด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนานี่เป็นทางที่จะนำความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มาให้แก่เราถ้าเราไปในทางของการสแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นการเดินทางไปสู่ความทุกข์นั่นเอง เพราะว่าไม่มีใครที่เดินไปในทางนี้ที่ไม่บ่นว่าทุกข์กันไม่ว่าจะมีมากมีน้อยจะมีราบมากมีลาบน้อยบ่นว่าทุกข์กันทั้งนั้นจะมียศสูงหรือต่ำก็บ่นว่าทุกข์กันจะมีการสรรเสริญมากน้อยก็บ่นว่าทุกข์กันจะมีการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ มากน้อยเพียงไรก็บ่นว่าทุกข์กันทั้งนั้นพ่อลาบยศสละเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นของชั่วคราวนั่นเองเวลาได้มาก็มีความสุขเวลาได้เสพได้สัมผัสก็มีความสุขพอหยุดเสพหยุดสัมผัสความสุขนั้นก็หายไป เหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวความรู้สึกขาดอะไรขาดความสุขจึงเกิดความอยากพอเกิดความอยากก็ต้องก็กระตุ้นให้ใจต้องตะเกียกตะกายพอเกิดการตะเกียกตะกายเกิดการขวนขวายก็เกิดความไม่สงบขึ้นมาในใจกลายความ ทุกข์ขึ้นมาในใจทุกข์ในขณะที่อยากได้แล้วก็จะสงบลงไปชั่วคราวเวลาที่ได้สิ่งที่อยากได้ถ้าไม่ได้ก็จะไม่สงบและจะทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆและอาจจะต้องถึงกับฆ่าตัวตายไปก็ได้พอทนกับความทุกข์ของความอยากไม่ได้ นี่คือทางไปของการสแสวงหาความสุขทางร่างกายการสแสวงหาลาดยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกมือกายจะนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามาทางที่พระตถเจ้าทรงสอนให้เรามากันคือมาทางทาน มาทางศีมาทางภาวนาเราจะได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงแต่การเดินทางก็ย่อมมีการเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดาแต่เราก็ต้องยอมอดทนต่อกับการเดินทางต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทาง พอเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆก็จะหายไปหมดเราจะลืมไปหมดถึงความทุกข์ยากลาบากต่างๆที่เกิดจากการเดินทางของพระพุทธเจา้านี้เดินทางของการทำทานเดินทางของการรักษาศีลเดินทางของการภาวนาการเดินทางก็ยอมเป็นสิ่งที่ ยากลำบากโดยเฉพาะการเดินทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขามันไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าไม่มีความเพียรความพยายามไม่มีความแน่วแน่ศรัทธาต่อพระพุทธเจา้าต่อพระธรรมคำสอนต่อพระอรหันตสาวกเราจะไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึง ยอดของภูเขาได้ไม่เหมือนกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นเหมือนกับการเดินลงภูเขาเวลาเราไปหาความสุขแบบนี้มันง่ายเหลือเกินเวลาไปเที่ยวนี่ง่ายเหลือเกินไม่รู้สึกยากลําบากเลย แต่ผลลัพธ์ที่เราจะได้รับจากการไปหาความสุขเหล่านี้ในบั้นปลายก็คือความทุกนั่นเองทุกเพราะว่าไม่มีกำลังความสามารถที่จะหาได้เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายแก่ชราเวลาที่ร่างกายต้องตายไปอันนี้เป็นทางสองทาง ทางหนึ่งคือทางขึ้นเขาทางหนึ่งคือทางเดินลงเขาเอลงไปสู่ความทุกข์ขึ้นเขาไปสู่ยอดเขาไปสู่ความสุขการเดินขึ้นก็ต้องยากลําบากแต่เมื่อถึงยอดเขาแล้วก็จะสบายการหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้อ ง, ง่ายและ แต่พอไปเจอจุดหมายปลายทางไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะมีแต่ความทุกข์เวลาที่ไม่สามารถหาราบยศสรรเสริญสุขได้เวลาที่ร่างกายหมดสภาพที่จะพาให้ไปหาความสุขเหล่านี้หรือเวลาสูญเสียราบยศสรรเสริญสุขไป เวลานั้นก็จะเป็นเวลาของความทุกข์ใจดังนั้นขอให้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในแนวทางของพระพุทธเจ้านี้ให้มีความอดทนให้มีความเข้มแข็งให้มีความกล้าหาญให้มีความเพียรที่สม่ำเสมอที่ มีมากขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัติเวลาปฏิบัติถ้าเราได้รับผลความเพียรจะม า, มากเวลาที่เราไม่ได้รับผลความเพียรก็จะมาน้อยเวลาที่เกิดความท้อแท้ก็อย่าไปยอมแพ้ขอให้คิดว่า ตอนนี้ผลยังไม่ปรากฏขอให้ทำต่อไปทำไปเรื่อยๆทำได้มากได้น้อยก็ทำไปหรือถ้าต้องพักบ้างก็ก็พักไปแต่พักไปเพื่อเติมกําลังพอจิตใจมีกําลังที่จะทำต่อก็กลับมาทำต่อไปขอให้เดินไปในทางนี้ไปเรื่อยๆ ช้าบ้างเร็วบ้างก็ไม่เป็นปัญหาตราบใดที่เรายังอยู่ในทางนี้ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนเมื่อเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วความทุกข์ยากลําบากต่างๆที่เกิดจากการเดินทางนั้นก็จะหายไปหมดเราจะลืมมันไปหมดมันกลายเป็นอดีตไป แล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาอยู่กับบรลลังสุขปัลมมังสุขขังความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันพอไปถึงถึงจุดนั้นแล้วความยากลำบากต่างๆที่พระพุทธเจ้าก็ดีที่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ต้องผ่านมาก็ดีนั้นกลายเป็นอดีตไปหมดเหมือนเป็นความฝันไปเตื่นขึ้นมาจากความทุกข์ยากลาบากตื่นขึ้นมาสู่ความสุขที่เป็นบรมลั์สุขได้เป็นสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายทางราบยศสรรเสริญที่ หมดไปอย่างรวดเร็วพอได้เสพได้สัมผัสปั๊บพอผ่านไปแล้วหายไปแล้วเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความหิวความอยากขึ้นมาใหม่แล้วแต่ความสุขของพระพุทธเจ้ากับความสุขของพระอรหันตสาวกนี่มันจะอิ่มตลอดเวลาจะเต็มอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกสบายอยู่ตลอดเวลา ไม่หิวไม่อยากกับอะไรตลอดเวลาดังนั้นเวลาที่เราเดินทางนี้ขอให้เรายอมรับว่ามันจะต้องลำบากจะลำบากลำบากมากลำบากน้อยก็อยู่กับอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานั่นเองอุปสรรคก็คือกิเลสตัณหาที่พวกเราได้สะสมกันมา ในแต่ละพบแต่ละชาติอาจจะมีมากมีน้อยต่างกันไปบางท่านมีน้อยก็จะรู้สึกว่าอุปสรรคนั้นมีน้อยบางท่านมีมากอุปสรรคก็มีมากอาจจะมีมากมีน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะสู้กับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ขอให้เราสร้างธรรมของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นมาเถอ สร้างศรัทธาขึ้นมาสร้างเวรียะขึ้นมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามี ร, รมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าอุปสรรคจะมีมากจะมีน้อยนั้นจะไม่เป็นปัญหาจะมีช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่ในที่สุดอุปสรรคต่างๆนั้นก็จะต้องถูกทำลายไปหมด ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมย่อมชนะอาธรรมเสมอธรรมก็คือสติสมาธิวิสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิรยิยะอาธรรมก็คือกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆเช่นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาความโลภความโกรธความหลงล่านี้ เป็นอาธรรมเป็นค่าศึกของธรรมค่าศึกของธรรมนี้สู้ธรรมไม่ได้ถ้าค่าศึกของธรรมชนะธรรมก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาจะไม่มีพระอาหลานตรสาวกปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของพวกเราจะไม่มีธรรมคำสอนที่สอนว่าธรรมย่อมชนะอธรรม นี่คือความหมายที่แท้จริงของธรรมที่ชนะอาธรรมแต่พวกเราบางทีมกักจะคิดตลิดเปิดเปิงไปทางโลกภายนอกคือระหว่างความดีกับความชั่วถ้าทางโลกภายนอกเนี่ยความดีมักจะแพ้ความชั่วความชั่วมันต้องชนะความดีแต่สิ่งที่มันชนะไปเนี่ยมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข ความชั่วต้องการอะไรความชั่วก็ต้องการลาบยศสารเสริญต้องการความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายคนที่ทำความชั่วจึงมักจะชนะมักจะได้ลาบยศสารเสริญสุขคนที่ไปทำสงครามนี่ไปฆ่าคนเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็ชนะในที่สุดเขาก็ได้ลาบยศสารเสริญสุขไป แต่สิ่งที่เขาได้ไปนั้นมันไม่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่มันกลายเป็นความทุกข์เพราะว่าได้มามากได้น้อยในที่สุดก็ต้องเสื่อมหมดไปดังนั้นเราอย่าไปวัดทรรมชนะอาธรรมในทางโลกที่เราที่พุทธยาวทรงตัดสอนทมย่อมชนะอาธรรมนีนท่านหมายในทางธรรมในทางจิตใจ ในจิตใจเรามีสองฝ่ายฝ่ายธรรมและฝ่ายอาธรรมฝ่ายอาธรรมก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราและธรรมก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงใชในการปราบอาธรรมนั่นเองก็คือ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาขอให้พวกเรามาสร้างธรรมนี้กันให้เกิดขึ้นถ้าเรามีธรรมนี้มากกว่าอาธรรมแล้วอาธรรมย่อมหมดย่อมแพ้อย่างราบคาบอย่างแน่นอนตอนนี้เรายังไม่สามารถปราบอาธรรมให้หมดไปจากจิตจากใจของพวกเราได้เพราะเรายังมีธรรมไม่พอเพียงนั่นเองเราต้องระดม กำลังของธรรมให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่จะระดมก็ต้องก็เดินต้องเดินในทางของทานศีลภาวนานั่นเองเป็นทางที่จะพาให้เราเข้าสู่การระดมกำลังของธรรมให้มีมากกว่าอาธรรมได้การทำทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน การรักษาศินก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เรามีเวลามีโอกาสที่จะได้สร้างทำได้อย่างเต็มที่คือเราต้องไม่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะการอาศัยทรัพย์สมบัติเงินทองก็จะได้แต่ความสุขที่เป็นความสุขปลอมนั่นเอง ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายขอให้เราสละความสุขแบบนี้ไปดยการมารักษาศีลแปดกันการรักษาศีลแปดก็จะช่วยกันไม่ให้เราออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่คือหน้าที่ของศีลเป็นเหมือนรัว้วคอยกั้นใจของเราไม่ให้ไหลออกไปสู่ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาเจริญทำเพื่อ ป, ป, ป่าปัธรรมที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานั่นเองถ้าเราถือศีลแปลดได้เราก็จะไปปีกวิเวกได้ไปปีกวิเวกไปอยู่ตามลาพังไปอยู่ตามสถานที่สงบสงดัดไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นเขา หรือแม้แต่เป็นบ้านก็ได้ถ้าบ้านเป็นที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนใจมาสร้างความวุ่นวายใจที่บ้านก็สามารถเป็นที่ภาวนาได้เป็นที่สร้างธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นที่สร้างศรัทธาสร้างวิริยะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้ถ้าเราอยู่ตามลำพังอยู่ในที่สงบสงดวิเวก ถ้าเราอยากจะเสริมศรัท ธ, ธาเราก็มันศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอาหารหันต่อสาวกทั้งหลายที่มีการบันทึกเอาไว้เพราะการได้ศึกษาชีวประวัติของท่านศึกษาปฏิปทาการดําเนินของท่านจะทําให้เรามีศรัท ธ, ธา ที่แก่ว่าที่แน่วแน่ต่อการปฏิบัติต่อการสร้างธรรมขึ้นมาเพื่อมาทำลายอธรรมที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรจะมีการทาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราไปปีกเว้ย์อยู่คนเดียวเราก็ยังฟังธรรมได้หรืออ่านหนังสือธรรมะไดะ้ในสมัยที่ อาตมาไปศึกษาอยู่กับหลวงตาทุกวันก็ได้อ่านหนังสือของหลวงตาวันละชั่วโมงสมัยนั้นก็มีหนังสือประวัติปฏิภาถาแห่นดวงใจเป็นหนังสือหลักของของการปฏิบัติธรรมอาศัยทั้งทั้งที่หลวงตาท่านก็มานอบรมสั่งสอนทุกสี่ห้าวันท่านก็จะเรียกประชุมสั่งสอนเพื่อปลุก กำลังศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ในใจของผู้ปฏิบัตินะการได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็ดีเรื่องราว ข, ของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ดีนั้นจะทําให้เราเกิดศรัทธาและเกิดปัญญาเราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติของท่านว่าเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้นําเอาวิธีการปฏิบัติของท่านนั้น มาปฏิบัตินั่นเองเพราะวิธีปฏิบัติของท่านนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลท่านได้เป็นพระอาหารหันต์จากการปฏิบัติของท่านเราอยากจะเป็นพระอาหารหันต์เราก็ต้องเอาวิธีการปฏิบัติของท่านมาใช้สมัยแรกๆตอนที่ปฏิบัติตอนที่ไม่ได้ไปอยู่บ้านตา น, นี้ก็ไม่เคยอดอาหารเพราะไม่เคยได้ยินไม่เห็นการอดอาหารกัน รู้เพียงแต่ว่ารับประทานวันละมือเพราะได้อ่านจากหนังสือเกี่ยวกับทุดองขวัตรนะทุดองขวัตรท่านก็จะมีข้อให้ฉันวันะหนึ่งมือก็รู้เพียงเท่านั้นรู้ว่าการฉันอาหารมากนี้ไม่ดีรู้ว่าการฉันอาหารพอประมาณนี้จะเอื้อต่อการเจริญธรรมแต่ไม่รู้ว่าการฉันอาหารพอประมาณนี้ เป็นขนาดไหนพอได้ไปอยู่ที่วัดต่าบ้านตาถึงจะเห็นว่าอ๋อมันต้องถึงกับอดกันบางทีอดครั้งละสามวันห้าวันอย่างนั้นแหละท่านเรียกว่าการฉันแบบพอประมาณคือสามวันฉันสักครั้งหนึ่งห้าวันฉันสักครั้งหนึ่งใหม่ใหม่ไปก็เวลาไปฉันก็จะมีพระนั่งอยู่เรียงตามดาบตามพรรษากัน บางวันก็เห็นท่านหายไปก็ไม่ทราบว่าท่านหายไปไหนตอนต้นก็คิดว่าท่านลาไปบ้านหรือไปธุระที่ไหนข้างนอกแต่พอถามท่านท่านก็บอกว่าท่านไปอดอาหารก็เห็นเขาคนเห็นเขาอดกันบ่อยๆเราไม่อดก็รู้สึกกระดากใจก็เลยตั้งลองอดดูบ้างพออดแล้วก็เห็นผลของการอด ว่าเอื่อต่อการปฏิบัติเอื้อต่อการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเป็นอย่างมากสร้างความเพียรเวลาอดอาหารนี้ความเพียรจะมาจากไหนไม่ทราบเวลารับประทานอาหารนี้ความเพียรมันจะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาอดอาหารเพราะเวลาอดอาหารนี้มันเหมือนกับอยู่ในภาวะคับขันะ อยู่ในที่จนกรอกจะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะถ้าอยู่เฉยๆนี่คู่ต่อสู้คือกิเลตัณหานี่มันจะรุมเราสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่จิตใจเวลาอดอาหารนี่ตัณหาความอยากรับประทานอาหารนี่มันมาจากไหนไม่ทราบมันคิดแต่เรื่องอาหารอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยให้มันคิดอย่างนั้นมันจะทนอดไม่ได้มันก็ต้องสู้ด้วยสติเท่านั้น สู้ได้ปัญญาสติก็คือต้องควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดไปในทางอยากอาหารไม่ให้มันไปคิดถึงอาหารชนิดต่างๆถ้ามันเด้อมันจะคิดไปในทางอาหารก็ต้องใช้ปัญญามาช่วยให้คิดไปในทางอาหารที่มันที่อยู่ในสภาพที่ไม่น่าดูอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจาน ให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากที่อยู่ในท้องที่ถ่ายออกมาให้คิดถึงอาหารเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาหารเหมือนกันเพียงแต่เราเปลี่ยนชื่อจากอาหารเป็นอาเจียนเป็นอาจมไปเท่านั้นเองความจริงมันก็ความจริงอยู่ดีมันก็เป็นอาหารแต่พอมันเข้าไปในท้องแล้วมันก็แปลสภาพไป อากอาหารที่น่ารับประทานเห็นน้ำน้ำลายไหลพอเห็นอาหารที่อยู่ในท้องก็อยากจะอาเจียนออกมาพอเห็นอย่างนั้นมันก็จะหายจากความอยากรับประทานอาหารใจก็กลับเข้าสู่ความเป็นปกติไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องของการอยากอาหารแล้วก็จะทําให้สามารถจเจริญสติภาวนา นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วความหิวของอาหารก็หายไปเ0ีเก้าสเปอร์ซน์เหลือเพียงประมาณส0อร์ซนที่เป็นความหิวทางร่างกายแต่ความหิวทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวปัญหาเลยความหิวทางใจต่างหากที่เป็นตัวปัญหาเมื่อเรามีสตินังงับตันหาความอยากได้ เราก็มีรมชนะอธรรมไปหนึ่งหนึ่งรอบแล้วเอาสติธรรมเอาปัญญาธรรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารมามาแก้หรือมาปราบอาธรรมคือตัณหาความอยากในเรื่องของการรับประทานอาหารพอหลังจากรับประทานอาหารแล้วเรื่องการรับประทานอาหารนี้ไม่มีปัญหาเลยเมื่อยังไม่ถึงเวลามันก็จะไม่ไม่หิวไม่อยาก มันจะหิวจะอยากก็ตอนถึงเวลาที่รับประทานเท่านั้นเมื่อก่อนอดอาหารนี่ตอนเย็นมันมักจะหิวมันมักจะคิดถึงอาหารอยู่เรื่อยๆแต่พอมาอดอาหารนี่แล้วพอจิตสงบแก้ปัญหาเรื่องความหิวของอาหารได้แล้วตอนเย็นนี้ยังไม่รู้สึกหิวเลยต่อให้เห็นคนอื่นเขารับประทานก็จะไม่หิวมัน เพราะว่าความอยากที่เกิดจากความอยากในหานี้มันถูกปัญญาถูกสติคุมไว้แล้วมันไม่สามารถที่จะผล่ขึ้นมาสร้างปัญหาให้แก่ใจได้นี่ก็คืออุบายเรียกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดี ของคูบาจารย์ทั้งหลายก็ดีเป็นเป็นแบบฉบับในการใช้ธรรมต่อสู้กับอาธรรมนั่นเองเป็นแบบชนะแบบฉบับที่จะเอาธรรมชนะอาธรรมถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้วิธีการเหล่านี้เราก็จะไปเกิดมีเกเรตหลอกเสียเองว่าทำแบบสุดตรง บางคนเพียงแต่ถืออดข้าวเย็นนี่ก็ก็ว่าสุดโต่งแล้วอย่าว่าแต่เพียงรับประทานาหารวันละมือหรืออดอาหารเลยตนที่ถือศีลแปลนี้บางคนก็ถูกเขาตําหนิว่าปฏิบัติสุดโต่งทําไมต้องมาทรมานตัวเองถึงขนาดนั้นทําไมไม่กินอาหารตามปกติตามปกติของคนที่เขาว่าปกตินั้นมันไม่ปกติในทางธรรม มันปกติในทางอาธรรมมันปกติในทางของกิเลสตัณหาที่จะต้องกินมากๆ ก, ก, กินหลายๆรอบทั้งที่ร่างกายมันไม่ต้องการอาหารมากมายขนาดนั้นปัญหาของโลกทุกวันนี้จึงเป็นปัญหาของความอ้วนนี้เองเพราะว่าไม่มีธรร ม, มายับยัง้งมีแต่ส่งเสริมเรื่องการกินกัน สมัยนี้กินได้ยี่บสี่ชั่วโมงมีร้านค้าร้านอาหารเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเปิดไปทำไมทำไมต้องกินกันถึงขนาดนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นโลกของกิเลสตัณหานั่นเองคนขายก็อยากจะได้เงินเยอะๆเพราะคิดว่าได้เงินเยอะแล้วจะมีความสุขคนซื้อก็อยากจะซื้อกินเยอะๆ พราะซื้อกินแล้วก็คิดว่าจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วปลายลิ้นพอหมดแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาใหม่อีกรอบเมื่อความอยากเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องหากินอีกแล้วถ้าหากินไม่ได้ก็จะทุกยาวไปทุกไปจนกว่าจะหากินได้ถ้าหากินไปได้เลยก็เครียดตายไปก็มีนี่ก็เรียกว่าลงแดง นี่คือสิ่งที่เราจะควรศึกษาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้กำจัดความหลงที่เราได้มีมากับเราจากผู้อื่นบ้างจากคนอื่นบ้างคนอื่นก็สอนให้พวกเรากินเยอะๆกันพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกกินเยอะๆอยากจะให้ลูกสุขอยากจะให้ลูกสบายแต่ไม่รู้ว่ากำลังป้อนความทุกข์ให้กับลูกโดยไม่รู้สึกตัว ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความอดทนอดกัน้นอยากจะได้อะไรก็ประเคนให้ทันทีพอโตขึ้นพอไม่สามารถได้สิ่งที่อยากได้ก็ต้องไปทำบาปทำกรรมด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้มานั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ศึกษาประวัติไม่ศึกษาปฏิปทาการดำเนินชีวิตของ คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกนั่นเองแต่ถ้าเราได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆืเราจะมีความแน่วแน่ศรัทธาของเราจะไม่สั่นคลอนศรัทธาของเราจะแ น, แน่วแน่ต่อการปฏิบัติต่อการรักษาศีลแปดต่อการอดอดทนอดกลั้นต่อการอดอาหารต่อการ ปฏิบัติต่อการเร่งความเพียรเราก็เคยได้ยินไม่ใช่เลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านเพียรจนถึงสลบสลายไปถึงสามครั้งพระสาวกบางท่านเดินรงกรมจนปล่าเท้าแตกบางท่านถึงกับสละชีวิตยอมตายในปากเสืออันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเรามีความกล้าหาญ ทำให้เรามีความเข้มแข็งทำให้เรามีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะบำเพ็ญไปอย่างไม่ท้อถอยอย่างไม่ย่อหย่อน เ, ออเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีวิริยะมีกำลังออที่จะเพียรปฏิบัติไปออทำไปตามกำลังของเราอย่าให้ความอยากมันมาหลอกให้เราท้อแท้ ตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนขอให้เราพอใจกับขั้นที่เรามีอยู่เป็นอยู่แล้วก้าวไปทีละขั้นอย่าไปปีอย่าไปก้าวกระโดดการปฏิบัตินี้มันต้องเป็นไปแต่ละขั้นถ้าเราอยู่ในขั้นสติก็เพียรเจริญสติไปอย่าให้พลัง้งอย่าให้เผลอ <c oughs> คอยควบคุมความคิดอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราได้ใช้เป็นที่ผูกใจไว้ จะใช้การบริกรรมพุโทโธก็เหมือนบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเวลาใดก็ตามถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดในการทํางานทําการก็ใช้บริกรรมพุโทโธไปจะหยุดบริกรรมก็ต่อเมื่อเราไม่ได้คิดอะไรถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเราจะไม่บริกรรมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรารู้เฉยๆก็ให้รู้อยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็ได้เช่นเรา ดูร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรเราก็รู้ไปกำลังเดินก็รู้ว่ากาลังเดินแต่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วกันถ้าไปคิดก็อาจจะต้องใช้บริการบริกรรมพุทโธดึงกลับมาหรือการใช้บังคับให้ดูการเดินของเราเช่นเรากาลังเดินก้าวเท้าซ้ายขวาเราก็พูดไปในใจก็ได้ว่าซ้ายขวาซ้ายขวา เดินไปก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจไม่คิดก็ไม่ต้องซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้เพียงแต่ให้สักแต่ว่ารู้ไปให้ใจอยู่ในปัจจุบันอย่าให้ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดีหรือที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดีให้อยู่กับปัจจุบันแล้วพอเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะ สามารถบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะดูใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ดูที่จุดใดจุดหนึ่งอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกอย่าไปปรุงแต่งว่าลมอยู่ตรงฐานนั้นหาฐานนี้ให้อยู่ตรงจุดเดียวถ้าจะเอาที่ปลายจมูกก็เฝ้าดูที่ปลายจมูกไป ถ้าจะดูที่กลางอกก็ดูที่กลางอกไปที่กลางอกมันก็จะเห็นว่ามันยุบเข้าไปเวลาลมออกมาเวลาลมเข้าไปมันก็จะพองขึ้นมาบางสำนักท่านก็สอนให้บริกรรมคำว่ายุบหนอพองหนอไปจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ถ้ารู้อยู่อย่างต่อเ น, นื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ ให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าลมออกจะรู้ตรงปลายจมูกก็ได้รู้ตรงกลาง อ, อกก็ได้ t ข ở ให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปปรุงแต่งลมยาก็รู้ว่ายากลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวไม่ต้องไปบังคับลมเราใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปรอยมาเหมือนกับเรือที่เรา ใช้ท่าเรือไว้ผูกไว้ผูกเรือไว้ไม่ให้เรือลอยไปตามกระแสน้าเราไม่ต้องไปทําอะไรกับท่าเรือเราต้องการใช้ท่าเรือเป็นที่ผูกเรือของเราไม่ให้ลอยไปกับกระแสน้ําเท่านั้นเองเพื่อเราจะได้ขนถ่ายสินค้าขนถ่ายผู้โดยสารที่จะต้องขึ้นลงจากเรือไปเท่านั้นเองฉันั้การใช้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต้องการที่จะไป ควบคุมบังคับลมไม่ต้องไปบงังคับให้ลมหายใจยาวหรือหายใจสั้นให้ลมหยาบหรือลมละเอียดมันจะปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของเขาใหม่ๆ ใ, ใจเราจะหยาบและร่างกายก็ยังไม่สงบอย่างเพิ่งถ่ายไปทําอะไรมาการหายใจก็จะรู้สึกสั้นและหยาบ แต่พอร่างกายได้นั่งพักแล้วจิตก็ได้เข้าสู่ความสงบลมก็จะละเอียดลงไปและก็จะหายใจยาวขึ้นไปจนถึงจุดที่ลมหายลมหายใจหายไปก็มีเวลาลมหายใจไปก็ให้รู้เฉยๆว่าลมหายใจไปไม่ต้องไปวิตกกังวลอย่าไปปรุงแต่งว่าลมหายใจไม่มีแล้วเราจะตาย พอปรุงต่งอย่านั้นจะเกิดความกลัวเกิดตันหาความอยากขึ้นมาแล้วก็จะทำให้จิตหยาบแล้วก็จะดึงจิตให้ออกจากความสงบที่กำลังจะใกล้สู่ความสงบอย่างเต็มที่ขอให้ดูไปให้รู้ว่าไม่มีลมก็อยู่กับการไม่มีลมไปให้สักแว่ารู้ไปแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะหลุดเข้าไปสู่ความสงบอย่างเต็มที่ของมันเองแต่อย่าไปคาด อย่าไปคิดว่าทำไมยังไม่สงบทำไมยังไม่รวมถ้าไปคาดไปคิดมันจะไม่มีวันรวมได้ให้สักแต่รู้เฉยๆว่ายังไม่รวมก็ไม่รวมไม่รวมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรรวมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้สักแต่ารู้ไปนี่คือวิธีการนั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจเข้าสู่ความสงบและแล้วก็ความสงบนี้ก็มีสองระดับความสงบแบบยังรับรู้ เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ความสงบแบบนั้นท่านว่าเป็นความสงบที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นการเอื้อต่อการเจริญปัญญาไม่เป็นมรรคเป็นผลท่านจึงเรียกสมาธิแบบนี้ว่ามิจฉาสมาธิสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิต้องเป็นสมาธิที่สงบว่างปรศจากสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆ ปาจะจากรูปเสียงกลิ่นนัดาจะจากนิมิตอะไรต่างๆให้มีแต่สักแต่ว่ารู้ให้มีแต่ความว่างมีแต่อุเบกขาเท่านั้นเพราะอุเบกขานี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะเอามาใช้ในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เป็นอธรรมอุเบกขานี่แหละคือธรรมที่เราต้องการเพื่อที่จะได้มาต่อสู้กับ รมคือกิเลสตัณหาต่างๆถ้าจิตไม่ได้อุเบกขาอยู่ในระดับที่เรียกว่าอุปจารสมาธิจะไม่มีอุเบกขาเพราะจิตจะปรุงแต่งไปกับนิมิตต่างๆไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏให้ให้จิตรับรู้แล้วเวลาออกจากสมาธิแบบนี้มาก็จะไม่มีความเย็นไม่มีความอุเบกขาติดมาจิตก็จะปรุงแต่งต่อไปเหมือนกับอยู่ในสมาธิ เวลาเจอกิเลสตัณหาก็จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความคิดผุงแต่งที่คิดไปในทางกิเลสตัณหาได้แต่ถ้ามีอุเบกขามีความว่างเวลาออกจากสมาธิมายือเบือขาความว่างนี้ยังมีติดมากับใจแต่ก็จะหมดไปถ้าไม่ถ้าไม่รักษาด้วยสติด้วยปัญญาถ้ารักษาด้วยสติก็ ก็พอที่จะประครับประคองอุเบกขานี้ไว้ให้อยู่ได้แต่ถ้าใช้ปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่เวลาที่เกิดปัญหาความอยากขึ้นมาถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นความทุกข์ที่ได้จากสิ่งที่อยากได้ก็จะสามารถหยุดความอยากได้ถ้าไม่มีความอยากอุเบกขาความ สงบความนิ่งของใจก็จะคงอยู่ต่อไปแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาพอเกิดตัณหานี้จะไม่มีกําลังที่จะใช้ปัญญามาพิจารณาเพราะใจเริ่มร้อนขึ้นมาทันทีเวลาเกิดตัณหาแล้วก็จะอยากที่จะแก้ด้วยวิธีทําตามความอยากทันทีแทนที่จะมานั่งพิจารณาให้เห็นโทษกับของความอยากก็จะไม่มีกําลังแต่ถ้ามีอุเบกขามีความเย็น ใจก็จะสามารถาใช้ปัญญาวิเคราะห์สอนใจให้เห็นถึงโทษของการทำตามความอยากให้เห็นผลของการทำตามความอยากคือความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเไมื่อเห็นก็จะละความอยากได้ความอยากหายไปความสงบอุเบกาก็จะคงอยู่ต่อไปนี่คือเรื่องของสัมมาส ม, มาธิ สมาสมาธินี้จะสนับสนุนการเจริญปัญญาการใช้ปัญญาในการต่อสู้กับอธรรมกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจนี่เราเรียกว่าสมาธิสมาสมาธิแล้วเป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นธรรมถ้ามิจฉาสมาธินี้ไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถที่จะเอามาดับกิเลสได้ต่อให้มีอิทธิฤทธิธปาปิหารมีตาทิพหูทิพอ่านวราลรัจิตของผู้อื่นได้ออกเหินเดินอากาศได้แปงลงร่างให้เป็นหลายหลายร่างขึ้นมาก็ได้ความสามารถเหล่านี้เอามาฆ่ากิเลสไม่ได้กิเลสไม่กลัวสิ่งที่กิเลสกลัวก็คือปัญญาและการที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้จิตต้องมีอุเบกขา ใ ห, ให้ให้ปัญญามีเวลาได้โผล่ขึ้นมาถ้าไม่มีอุเบกขานี่ปัญญาโผล่ขึ้นมาไม่ไม่ได้ตัณหามันมีกำลังมากกว่าตัณหามันจะลากใจให้ไปทำตามตัณหาทันทีนี่คือความแตกต่างระห ว, าว่างมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิที่ผู้ปฏิบัติพึงพิจารณาไว้ถ้านั่งแล้วเห็นนั้นเห็นนี่ แล้วยังคิดว่าเป็นมากเป็นผลก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดการนั่งนี้ไม่ต้องการเห็นนั่นเห็นนี่ไม่ต้องการมีฤทธิ์มีเดชไม่ต้องการมีตาทิพูทิพไม่ต้องการดานึกชาติได้ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแต่ถ้ามันเป็นวาสนาของเรามันมีก็เก็บมันเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาใช้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมัน พยายามเข้าสู่สัมมาส ม, มาธิให้ได้ก่อนเข้าสู่อุเบกขาให้ได้ก่อนไอพวกที่ความสามารถหรือวาสนาของเราเที่นตาทิพูทิพย์เรื่อง ร, รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านี้มันไม่หายไปหรอกแต่เราไม่ควรที่จะไปหลงไปเล่นกับมันในตอนนี้เพราะมันก็เหมือนกับเด็กที่มัวไปเล่นเกมนั่นเองแทนที่จะไปเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือมาติดเกมเสีย เวลาสอบก็จะสอบตกเวลาไปเจอกิเลสตัณหาก็สู้กิเลสตัณหาไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนวิธีต่อสู้กับกิเลสตัณหาไม่ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองมูแต่ไปเล่นเกมมูแต่ไปดูความคิดของชาวบ้านเขาว่าชาวบ้านเขาคิดอะไรมูแต่ไปทําอะไรเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวใน พบนั้นพบนี้ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกมันก็เหมือนกับเด็กเล่นเกมดีๆนี่เองแทนที่จะเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือเรียนหนังสือเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือตายรักนั่นเองปัญญาต้องเห็นชัดเห็นเร็วพอเห็นอะไรปั๊บเห็นเป็นตายักปั๊บนี่มันจะมันจะเบรกตันหาความอยากได้ทํันทีเลยแต่ถ้าไม่เห็นตายรักมันก็จะถูกกิเลสตันหาฉุดลากไป มาลุบทีหลังก็สายไป แ, แล้วเอไปได้สามีไปได้ภรรยามาใช่ไหอแทนที่จะไปบวชกับไปติดอยู่กับสามีภรรยากว่าจะหลุดออกมาได้ก็ไม่รู้กี่ปีพระพุทธเจ้านี้ปัญญาท่านไหวนะพอได้ข่าวว่าลูกมาปั๊บนี้ท่านบอกตายรักแล้วเนี่ยบ่วงแล้วบ่วงก็แปลว่าทุกข์แล้วเนี่ยปัญญาของใครจะไหวเท่ากับพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีปัญญาในระดับนั้นนี่ท่านออกบวตไม่ได้เพราะพอได้ข่าวว่าได้ลูกก็จะดีใจแทนที่จะเสียใจแทนที่จะเดือดเนื้อร้อนใจกับดีอกดีใจนัานต่างกันระหว่างคนที่มีปัญญากับคนที่ไม่มีปัญญาจะมองเหตุการณ์อันเดียวกันนี้ต่างกันคนที่ไม่มีปัญญานี่พอได้ลาบยศสรรเสริญมานี่ดีอกดีใจตัวลอยขึ้นขึ้นท้องฟ้าไปเลย แต่คนที่มีปัญญานี้จะตกใจทันทีว่าตายแล้วทุกมาแล้วบวงมาแล้วเรื่องราวปัญหาต่างๆมาแล้วนี่คือความแตกต่างของผู้ที่มีปัญญาและไม่มีปัญญาผู้มีปัญญาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ของเรานั่นเองแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญานี้พอเห็นอะไรปั๊บจะเห็นว่าเป็นของเที่ยงเป็นของดีเป็นของเราทันที เราในที่สุดก็ต้องมาทุก์กับมันเพราะความจริงมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรานั่นเองนี่คือเรื่องของสมาธิและปัญญาถ้าอยากจะให้เกิดปัญญาแบบนี้ขึ้นมาจำเป็นจะต้องมีโอบเบคามีโอบเบคาเพื่อที่จะได้ให้ปัญญามีเวลาออกมามามาจะมาเจริญเติบโตขึ้นมาในใจ จะได้มีเวลาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี่คือปัญญาทั้งนั้นที่เราพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมต้องต้องเจริญกันต้องรู้ต้องเห็นกันอยู่ภายในใจของเราเนี่ยเพราะเวลาเราเข้าห้องสอบเราจะได้ใช้ปัญญาเหล่านี้มาทำข้อสอบได้มาทำลายข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหา ที่เป็นตัวที่จะคอยสร้างความทุกข์และตัวที่จะจุดล่างให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จากจบจากสิ้นต้องเกิดจากการมีสัมมาสมาธิระวังเรื่องมิจฉาสมาธิอย่าไปหลงไหลกับมันเห็นอะไรได้ยินอะไรในสมาธิอย่าไปสนใจไม่ต้องไปกังวลตอนนี้เราไม่ต้องการเล่นเกมเราต้องการเรียนหนังสือไว้เราเรียนจบก่อน เราจบแล้วเราค่อยมาเล่นเกมได้อย่างพโมกขลานี้พอท่านเรียนจบแล้วท่านก็ใช้อิทธิฤทธิ์ของท่านมาเล่นได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารเพื่อสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาได้แต่อิทธิฤทธิ์นี้ไม่มีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญเพื่อจเจริญปัญญาต้องตัดมันไปก่อนอย่าไปสนใจมันแต่เมื่อเรียนจบแล้ว ความรู้ความสามารถเหล่านี้มันไม่หายไปไหนมันก็ยังมีอยู่ในใจเวลานั่งสมาธิมันก็จะสามารถเข้าสู่อุปจาระสมาธิและไปดูเรื่องราวต่างๆได้แต่ถ้าไม่เีถ้าไม่มีปัญญาแล้วไปเล่นกับสมาธิไปเล่นกับอิทธิฤทธิ์นี่เดี๋ยวถูกเกิเลสตันหาหลอกเอาเอาอิทธิฤทธิ์มาใช้เป็นเครื่องมือได้มาทำลายผู้ปฏิบัติเองได้ อย่างเช่นพระเทวทัตก็ถูกอิทธิฤทธิ์หลอกให้เอาคิดว่าตนเองนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้แ ก, ก่งการเท่ากับพระพุทธเจ้าจนถึงกล้าขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระเทวทัตนี้ไม่มีปัญญามีแต่อิทธิฤทธิ์แต่มันปัญญาไม่มีสู้ภาษาริบุตรไม่ได้ แลแมแต่พระสาวรีบุตรพระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งมอบให้เป็นผู้ปกครองสงเพอพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าคนทุกคนก็จะต้องมีวันเสื่อมไปถ้ามีการมอบมันก็จะต้องมีการมอบต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรับไปทําหน้าที่นี้ได้เพระองค์จึงมอบให้กับพระธรรมวินัยแทนพระธรรมวินัยนี้เป็นอาการลาาิโก ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดใช่ ไ, ไหมสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วท ร, รมวินัยของพระพุทธเจ้าที่พวกเราศึกษาและยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งก็ยังเป็นที่พึ่งได้อย่างเต็มที่นี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะรู้จะฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าของพวกเราพวกเราจึงถือว่าเป็นโชคว่าสนาที่ได้มาเจอปรมาจารย์ของโลกมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้ได้ พวกเราจรึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดไปจากพวกมือจากมือของพวกเราพยายามไ ข, ขว่คว้าพยายามยึดติดเกาะติ ด, ตดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเถิดแล้วเป้าหมายของการปฏิบัติจุดหมายของการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการได้เข้าสู่พระนิพพานที่เป็นปรมังสุขขังนี้ก็จะต้องเป็น ผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะทาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลารังเอวามวะอิโตทินังเปตานางอุ ป, ปกักปติ อิชิต่างปฏทิต่างตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะธาเมณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะ อาภีวาทนสีลิสานิจังวุธาปัจจายิโนจตารโรธรรมาวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลางลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม อย่าถามปัญหาของความกรลยาณ์ถามเป็นปัญหาอย่าอ้างว่าเป็นปัญหาแล้วก็มาสแสดงธรรมเทศนาให้ฟังไม่ต้องอารมณบทมากบางทีอารมณบทจนกระทั่งปัญหาไม่มานั่งฟังแล้วฟังอีกเมื่อไหร่มันจะถามตัวนีไม่ยอมถามคําถามแรกค่ะจากคุณกนกพรภัยสารอาสวะเสนี ท้าดิฉันขอารพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพมเทวดาโดยมีเจตนาฝึกสติให้ตนเองไม่หลงลืมว่าเรามีความปรารถนาสิ่งใดและเราต้องทำความขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นโดยเชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเหตุดีผลย่อมดีเหตุไม่ดีผลย่อมไม่ดี อย่างนี้ดิฉันสามารถขอพรพระได้ทุกวันไหมคะเพราะปกติเป็นคนไม่ค่อยมีสติขี้หลงขี้ลืมไม่มีความตั้งมั่นไม่มีความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จแต่ถ้าขอพรพระแล้วรู้สึกมีกำลังใจอยากจะทำหน้าที่นั้นให้สำเร็จคะ่ะคือการขอไม่ขอนี่ไม่ใช่เป็นตัวประเด็นสำคัญ ตัวสคัญก็คือการกระทาของเราถ้าเราทำไม่ต้องขอก็ได้ขอก็ได้ถ้าเราไม่ทำขอก็ไม่ได้ไม่ขอก็ไม่ได้ดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ขอมันอยู่ที่การกระทาของเราถ้าเราอยากจะมีสติเราก็ต้องบังคับตัวเราให้ตั้งสติอยู่เรื่อยๆให้พุโทโธบริกรรมไปเรื่อยๆไม่ใช่มานั่งขอให้เทวดามาช่วยให้เรามีสติ ไม่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะไปหวังพึ่งคนอื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พึ่งตนเองอัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นเพียงผู้สอนผู้บอกผู้ชี้ทางเท่านั้นเองเราต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติเองถ้าเราอยากจะได้กำลังใจก็อย่างที่ได้สอนไว้วันนี้ ให้คิดถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าคิดถึงการปฏิบัติของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแล้วก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติเหมือนท่านอยากจะจเจริญสติเหมือนท่านอย่าไปข อ, อคือไม่ห้ามขอก็ได้ไม่ขอก็ได้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะที่บอกถึงผลที่เราจะได้รับตัวที่จะที่บอกก็คือการการะทาของเรา อยากจะได้สติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเองถ้าไม่สร้างต่อให้ขออย่างไรก็ไม่ได้ถ้าสร้างแล้วไม่ต้องขอก็ได้นั้นอยู่ที่การสร้างอยู่การกระทาของเราเป็นหลักคำถามต่อมาค่ะเป็นคำถามจากนักชีพที่หมอการกอดจากเมื่อวานค่ะที่ปวดแล้วแต่รู้สึกกีรย์ไม่นนบวดตามโดยที่ปฏิบัตินั้นมีคนดูแลดีมาก มีแม่ครัวเตรียมอาหารเช้าให้และเตรียมอาหารเทนอีกซึ่งไม่ชีกินมื้อเดียวแต่แม่ครัวก็ทําอาหารเทนมาให้ตอนแรกไม่กินพอนที่สองเขาก็ยกมาประเคียงให้เหมือนพระต้องกจำใจรับพราะเกรงใจเขาแต่ในใจตัวเองรู้สึกละอายมากเพราะก่เลสยังไม่บวชและบวกกับวัวนสองคืนถึกว่าโกนผมก็จริงแต่สายชุดไปเล่นออกไปข้างนอกสํานัก ยิรู้สึกไม่สบายใจจะทํอย่างไรดีคะขออาจารย์เมตตาค่ะนี่ก็ในเรื่องของตกอยู่ในกรณีเรื่องของความสัปเพยะที่อยู่ของเราอาหารที่เรารับประทานบุคคลที่เราอยู่ด้วยนี้รู้สึกว่ามันจะไม่สัพปพยะเพราะว่าอาหารก็มากเกินไปอาหารมากเกินไปนี่ก็เป็นโทษกับการปฏิบัติของเราได้ อาหารน้อยเกินไปก็เป็นโทษได้ถ้าร่างกายขาดแคลนอดอยากขาดแคลนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็ทำให้เกลียดครานได้ทำให้เกิดติดรสชาติของอาหารได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องหาสถานที่สัปปายะหาอาหารที่สัปปายะหาบุคคลที่สัปปายะต้องไปหาที่ที่อาหารไม่มากเกินไป พออยู่พอกินไปบุคคลก็ไม่วุ่นวายกับเรื่องของการรับประทานอาหารบุญนแต่เรื่องของการเดินจงกรมนั่งสมาธิดังนั้นเวลาจะหาที่ปฏิบัติจึงต้องพิจารณาเรื่องของความสปายะของสถานที่ของบุคคลของอาหารและของอากาศเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติของเราได้ ม่ชี้ปกเปลี่ยนว่ากาแฟไม่ดื่มแล้วค่ะตั้งแต่โกดก็ไม่ดื่มไปเดินชาแทนมันก็เปลี่ยนจากม้ามาเป็นแมวคำ <laughs> ถามปากถามค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วจะมีความรู้สึกไม่ดีความคีดที่ไม่ดีแวะเข้ามาจึงทําให้สงสัยว่า ความคิดที่เป็นอกุศลนี้มันมีอยู่เดิมประจำถิดของปุถุชนใช่ไหมคะแล้วการนั่งสมาธิทําให้เราเห็นและเป็นการล้างมันออกจากจิตใจใช่ไหมคะขอหลวงพ่อเมตตาคะ่ะความคิดของพวกเรามันเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาน้อยครั้งที่จะเป็นกุศลการที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะมากําจัดความคิดที่เป็นอกุศลและสร้างความคิดที่เป็นกุศลขึ้นมา การทำสมาธิก็เป็นการหยุดความคิดที่เป็นอกุศลเกการเจริญสตินี่เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปความคิดที่เป็นอกุศลก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เพราะเรามีคําบริกรรมพุทโธ ท, ที่เป็นเหมือนความคิดที่เป็นกุศลแต่ความคิดที่เป็นอกุศลก็ยังไม่หายไปจากการที่เราใช้สติเพียงอย่างเดียว การที่เราจะกําจัดความคิดที่เป็นอกุศลให้ราบคาบหมดไปเราต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาว่าความคิดของเราที่เป็นอกุศลนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นเหมือนยาพิษพอเราเห็นว่าความคิดที่เป็นอกุศลเป็นยาพิษต่อไปเราก็จะไม่กล้าคิดไปในทางนั้นแล้วความคิดที่เป็นอกุศลก็จะหมดไป่วา สมองหนึ่ห น, นักนะมัตนตเจ็ดภพชาติได้ยังไงล่ะครับก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือทุกครั้งที่เราหยุดความคิดไปในทางที่ไม่ดีได้มันก็เหมือนหยุดการสร้างภพชาติเท่านั้นเองที่ที่เขาว่าเจ็ดภพชาตินี่ก็อาจจะเป็นการพูดโดยประมาณให้เห็นภาพหเห็นรูปเท่านั้นเองแ ต, แต่ความจริงแล้วก็คือ ความคิดที่ไม่ดีคิดไปในทางกิเลสตัณหานี่มันจะเป็นการก่อสร้างภพชาติไปเรื่อยๆพอเราหยุดความคิดนี้มันก็จะตัดการก่อสร้างภพชาติลงไปตามลาดับจนกว่ามันจะหมดไปถ้ายังมีอยู่มันก็ยังมีภพชาติอยู่จะมีมากมีน้อยอย่างพระโสดาบันนี่ก็มีแค่เจ็ดชาติเป็นอย่างมากพระสกิรดาคามีก็มีเพียงชาติเดียวเป็นอย่างมาก พระอนาคามีนี้ก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปพระอาหารหันนี้จะไม่มีความคิดที่จะไปก่อภพบก่อชาติเลยตัดหมดกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตัหาอยากเที่ยวอยากดื่มอยากดูอยากฟังไม่มีในใจของท่านอยากเป็นอยากอยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากให้นั่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะไม่มีอยากไม่ให้เป็นก็ไม่มี อะไรจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปอะไรจะไม่เป็นก็ปล่อยมันไม่เป็นไปปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติใจจะสักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวอยู่กับความสงบพอแล้วความสงบนี้เป็นความสงบที่ยิ่งใหญ่กว่าความสงทั้งปวงลน า, านั่สมาธินะ่ยังไม่ีเี่ยยังไม่สงบเต็มที่ยังไม่สงบเต็มที่ แต่ถ้าไม่ทุกข์ก็ใช้ได้เหมือนกันคือถ้าใจเป็นอุเบกขานิ่งเฉยได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงด่าก็ไม่เดือดร้อนกินอาหารก็ไม่ได้ดีอกดีใจได้ดมกินแล้วก็ปล่อยมันไปผ่านไปแต่ถ้ามีอารมณ์กับมันปักแสดงว่ายังไม่เป็นอุเบกขายังไม่สงบพอก็บริกรรมพุทธโธต่อไปภาวนาต่อไป แล้วถ้าให้ดีก็คือต้องไม่ยินเสียงก็ไม่ใช่หอยมันเป็นอุเบกขาใช้ได้เอ้ได้ยินแล้วเฉยก็ใช้ได้เหมือนกันเออแต่ถ้าเกิดไม่ยินแล้วแต่ไม่มีความรู้สึกมันก็หลับนั้งถ้าไม่มีความรู้สึกต้องรู้สึกตตลอดเวลาต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาแต่ว่าก็ไม่ ไม่ทุกขก์ ก, กับเสียงไม่ทุกกับรูปที่ได้เห็นไม่ทุกกับความเจ็บปวดของร่างกายแคนั่งไปแล้วเจ็บปวดพอจิตเป็นอุเบกขาปั๊บความเจ็บปวดนั้นยังอยู่แต่ความทรมานหายไปความทรมานใจจะหายไปเพราะใจเฉยใจไม่ปรุงแต่งไม่มีตันหาความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปใจก็จะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบาย คำถามต่อไปค่ะถ้าเราตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดโดยอดอาหารแล้วเราเจออุปสรรคโดยคนข้างห้องเอาอาหารมา้งมูกินจะหน้าห้องและพูดกันเสียงดงังทำให้ไม่นนสามารถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมได้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะวางใจอย่างไรเผื่อการจากหลวงอด้วยค่ะก็ไปหาที่อยู่ใหม่ถ้าวางใจไม่ได้ก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ถ้าวางใจได้ก็ ่ยก็รับประทานไปเราก็กินอาหารใจไปเราก็พุโทโธไปหมดแล้วยใครอยากจะถามไหมให้นั่งคิดสักพักหนึ่งก่อนก็ได้เปิดใครได้ความคิดอยากจะถามจะอยากจะให้พูดอะไรก็ได้ที่พูดมาวันนี้ไม่ไม่เข้าใจตรงไหนขาดตกบกพร่องตรงไหน อยากจะให้ชี้แจงแถลงไขให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้ก็เชิญได้ถ้าไม่มีเราก็จะได้เลิกกันดีไหอพอสมควรแก่เวลาขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเชิญ